สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมปัสสิทธิครั้งที่สิบเรื่องอยากได้ปัญญาตอนที่สองพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับผมมีพระคำพีสี4ข้อด้วยกันซึ่งแสดงถึงท่าทีสี่ประการที่เราเมื่อต้องการปัญญานั้นเราจะต้องมีเมื่อเราอยากได้ปัญญาเป็นของเรา ในส่วนของพระเจ้านั้นนั่นเป็นพระคุณครับเราอยากมีพระปัญญาสถิตยอยู่กับเราเราสามารถอธิษฐานทูลขอขอการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในขณะที่พระองค์ได้ทรงกระทาพระสกิจในส่วนของพระองค์ในฝ่ายของเรานั้นเราต้องปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงทักษคติปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเพื่อที่จะรับปัญญาเมื่ออยากได้ปัญญา ต้องมีทัทศนคติที่ดีต่อปัญญาเมื่ออยากได้ปัญญานั้นเราต้องมีจิตใจที่พร้อมเชื่อฟังเมื่ออยากได้ปัญญานั้นเราจึต้องมีมีความพร้อมในการที่จะรับพระปัญญานี้เข้ามาพี่น้องครับปัญญานั้นร้องเรียกอยู่กลางถนนจะมีใครที่เปิดหูเปิดใจเปิดตาของเขานั้นได้เห็นได้ยินได้ฟังปัญญาและรับปัญญาเพื่อที่ชีวิตของเขานั้นจะเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและปลอดภัยอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าอยู่ภายใต้การ เจอมของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใต้การดูแลพิทักษรักษาที่มาจากพระเจ้าหากเราได้ปัญญาแล้วเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับดังนั้นความปรารถนาที่จะได้ปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าในขณะที่คนภายนอกนั้นเขาก็ต้องการปัญญาเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่ปัญญานั้นเขาจะใช้ปัญญาเพื่อที่จะหาเงินหาทอง หาชื่อเสียงหาอำนาจหาความอาการยอมรับหาสิ่ ง, งต่างๆเพื่อตัวเองแต่สําหรับเราที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเราอยากได้พระปัญญาเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้ทําตามสิ่งต่างๆที่พระเจ้าต้องการเป็นความปรารถนาและน้ำพัดไัยของพระเจ้าที่ต้องการให้เราเป็นอย่างไรเราจะสามารถไปถึงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งให้กับเราในชีวิตของเราแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับโปรดฟังพจน์ของพระเจ้าทั้งสี่ตอนด้วยกัน ในตอนแรกครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่เก้าพระเจานะตอนนี้นั่นเป็นพระเจนะที่เราทั้งหลายคุ้นเคยมากเพราะว่าเป็นคำอุปมาของผู้หวานพืชในบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าในวันนั้นพระเยซูก็สเสด็จจากเลือนไปประทับที่ชายทะเล มีคนเป็นนั้นมากมาหาพระองค์พระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือและบรรดาคนเหล่านั้นก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาร้ายประการเป็นคําอุปมาเป็นต้นว่าดูเถิดมีคนหนึ่งออกไปหว่านพืชและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชก็ตกตามผลทางบ้างแล้วนกก็มากินเสียบ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก แต่เมื่อแดดจัดแดดก็แผดเผารากไม่มีจึงเหี่ยวไปบ้างก็ตกลงกลางหนามต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบ้างก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างใครมีหูจงฟังเถิดถ้าทีแรกนะครับถ้าเราต้องการปัญญาอยากได้ปัญญาเราจะต้องทำตัวเป็นดินที่ดีครับ การทําตัวเป็นดินที่ดีนั้นต้นหมายความว่าเราต้องมีความพร้อมที่จะทำสามอย่างต่อไปนี้ขึ้นหนึ่งถ่อถมใจถ่อมใจลงครับที่จะยอมรับว่าเราเป็นคนที่ด้อยปัญญาไม่มีปัญญาและเราต้องการปัญญาคนปกติไม่ต้องการหาหมอแต่คนเจ็บนั้นที่ต้องการหาหมอใครก็ตามที่รู้สึกว่าเจ็บป่วยไม่สบายขาดขาดบางสิ่งบางอย่างขาดสติปัญญาก็ ต้องถ่อมใจลงครับต้องรู้ตัวว่าเราขาดครับถ้ารู้ตัวว่าไม่ขาดหรือบอกว่าเราไม่ขาดฉันไม่ป่วยฉันไม่เจ็บฉันไม่บ้าคนคนนั้นก็ไม่สามารถที่จะรับการรักษาจากพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะถ่อมใจลงเพื่อที่ยอมรับว่าตัวเราเป็นก็บกพร่องเหมือนกันตัวเราล้าวยิ่งหลาอย่างก็ง C, สงสไม่รู้ครับนั่นคือความถ่อมใจอันดัแนบแรกอันที่สองก็คือต้องเปิดใจครับถ่อมใจแล้วต้องเปิดใจออกเปิดใจรับฟังครับ รับฟังพระเจ้าของพระเจ้ารับฟังคนของพระเจ้ารับฟังสิ่งต่างที่เป็นคำหนุนน้ําใจคําเตือนสติคําที่แก้ไขบางครั้งเวลาที่เรารับการหนุนน้ําใจการเตือนสติหลายครั้งเราก็ไม่เปิดใจเพราะว่าเรามีอคติมีความลําเอียงอันนั้นเป็นอุปสรรคของแต่ละคนเราจะต้องเปิดใจออกครับรับฟังอันที่สามครับเราต้องมีท่าทีแห่งการเชื่อฟังพระเจ้า พร้อมที่จะถ่อมใจเปิดใจออกแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าทําตามนั่นแหละครับการทําตัวเป็นดินที่ดีอันนี้สองครับเมื่อเราต้องการปัญญาเราจะต้องตั้งใจครับเราต้องตั้งใจตั้งใจจริงๆนะครับพี่น้องในพระธรรมยอนบทที่เจ็ดข้อสิบเจ็ดครับพระธรรมยอนบทที่เจ็ดข้อสิบเจ็ดโปรดฟังอัจฉะของพระเจ้า ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคําสอนนั้นมาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคําสอนนั้นมาจากพระเจ้าปี่นองคริสเตียนตอบพวกฟาริสีตอบทุกธรรมจารย์ตอบคนทั้งหลายที่พยายามที่จะ discredit พระองค์เปีะยะสูบอกว่าถ้าท่านตั้งใจทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากไหนนั่นหมายความว่าครับหมายความว่าการเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าอย่างถ่อมใจ จะนำมาซึ่งการที่จะรู้ว่าปัญญาที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและการมีปัญญาของพระองค์นั้นจะมีอาการแบบไหนจะมีสติปัญญายังไงจะมีการแสดงออกมาอย่างไรบ้างพี่น้องครับหากเราตั้งใจเราก็จะรู้ว่าอันนั้นเป็นของจริงอันไหนเป็นของแท้อันไหนเป็นของเทียมข้อ ท, ท, ที่สามครับเราต้องทูลขอพระเจ้าอย่างจริงใจ ในพระธรรมญากอบนะครับหลายหลาท่านคงท่องได้ยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ห้าได้บอกว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงประทานให้แก่คนทั้งปวงโดยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิแล้วผู้นั้นจะได้รับสิ่งที่ทูลขอเพียงครับผมได้พูดไปแล้วนะครับถ้าคนที่รู้ว่าตัวเองขาดตัวเองบอกพร่องเขาก็จะแสวงหาและเขาจะได้รับที่นี่บอกว่า ถ้าใครรู้ว่าตัวเองขาดสติปัญญาก็ต้องอธิษฐานทูลขอครับเพราะฉะนั้นท้าทีประการที่สามก็คืออธิษฐานทูลขอครับอธิษฐานทูลขอจากพระเจ้าเพราะนี่คือพระสัญญาและนี่คือน้ำมานไถยของพระเจ้าสำหรับลูกของพระองค์พระเจ้าอยากจะให้เรามีปัญญาครับให้เราอธิษฐานเหมือนอย่างโซโลมอนที่ท่านเองนั้นอยากจะได้ปัญญาเพราะว่ารู้ว่าได้ปัญญาแล้วคือได้ทุกสิ่งประการสุดท้ายในเช้าวันนี้นะครับก็คือเราจะต้องกลับใจใหม่ แสวงหาพระองค์อย่างขยันขันแข็งอันนี้พบในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อที่ 6-9 ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงแสวงหาพระเจ้าเมื่อจะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ให้คนธรรมละทิ้งทางของเขาและคนไม่ชอบทสละความคิดของเขาให้เขายับยั้งกลับยังพระเจ้าให้เขากลับยังพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขาและ ยังพระเจ้าของเราเพื่อพระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือข้อแปดอิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อแปดเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเราไม่เป็นวิถีของทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้โปรดฟังอีกครั้งเพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้าทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเราพระเจ้าตรัสดังนี้ เพาฟ้าสวรรค์สูงกว่าภายในโลกฉันใดวิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นพี่น้องครับการกลับใจใหม่เป็นข้อเรียกร้องอยู่ในข้อที่เจ็ดให้เขากลับยังพระเจ้ายังพระเจ้าของเราเพื่อจะทรงพระกรุณาพี่น้องครับเราจะต้องแสวงหาพระเจ้าอย่างขยันขันแข็งด้วยท่าทีแห่งการกลับใจใหม่การจะได้ปัญญานั้น ควรจะมีสี่ท่าทีนี้ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับการรับปัญญานั้นไม่ใช่เป็นงานอัิเด็กแต่ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเหมือนอย่างคำอธิษฐานของัตรซาสโลมอนเพื่อที่เขาจะได้ปัญญาเขาไม่เลือกสิ่งอื่นครับทั้งสี่ประการครับขอมอบให้กับพี่น้องทุกท่านให้เป็นคำอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเพื่อที่เราจะได้มีปัญญา อาเมน